สมมาสมบุทโธส อันดัมยังบุตสาภาขวัตโตบุปผังขณะกลางรังการมาเสนัโมทัสสะภะคะวะโต ในยังการโรมาสซ การนาส มีพระองค์อันประตอบด้วยพระญาและพระการุณาอันบริสุทธิ์บุพพิโยสุชนตังกมลังวาสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดย บวชให้บานวันรามัตตมรนาะสิราาิสาทิ่นดังขา้ข า, าพระเจ้าไว้พระจินตสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงรบุทวยโยสาพระปานินา สารังเกหมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารันกเซิงสูงสุดของสัต์ทั้งหลายป่ธรรมารูสติธาตุวันรามิตาสิเรนาม พระขาเจ้าไว si uh so uh ้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอานเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราบบุทถาสะหาสัมมิจาโสวาบุโฑเมสามิกิสโรข้า พระเจ้าเป็นภาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสราเนื้อข้าพระเจ้ามูทโฮดุคาสัาตาการิธาตาการิตาสเมิงพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกรจัดทุก และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าบุพทาสานมิยาดิมิสริรังทิมิตังติดั ง, ด ง, ดงข้าพเจ้าหมอบ ก, กายถวายชีวิตนี้แด่พระ วันดาโตหังเริสามีอุทาเสวะสุโคพิทามข้าพรเจ้าผู้ไหวอยู่จากพระพุทธามซึ่งความตราสรูดีของพระพุทธเจ้า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 เอเตนะสัตวะเจนะวัตยังสัตุสัสนิด้วยาการกล่าวคำศัต์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจะเริ่ในพระศาสนาของพระศาสดา บุธรางมีวันดามานในยงญญงงางพุทธังปัสสุทังอิฆะข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุณใดในปัตตินี้สาวทีรนตารายามีมาเหสุตัสสะติสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแกพระพเจ้าด้วยเด็ดแห่งบุญานาอกายยิยมว่าจะยั่วเทตะสาวาด้วยไทยก็ดีด้วยว่าจาก็ดีด้วยใจก็ดี บุเทขุกรรมังปะกตังมะยายังการนาที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าโบุทโธปฏิคันแห่งดวงเทวตานขอพระพุทธเจ้าทรงงดสิ่งโทษดวนเกินอนันต์ารตาเรซังวาริคุงวะพุเท เพื่อการสำงรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันดัมยังธรรมานุสติในยังกโรมาเซ คิดิริงกะโรมาเซ <ess> สวัสาดิ์คติคุณโยขวะเสนาเซโยพระธรรเป็นสิ่งที่ประเสริฐพราะประกอบด้วยคุณ <S <S <ess> คือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตราสไว้ีแล้วเป็นต้นโยมคัปปาคัปาริยาติวิหคเพโทเป็นธรรมทานจกแน่เป็นมาผลปริยเลหานตามโมคุโรคัปตะนาตะทาริคาริ เห็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจะกานตกไปสู่โลกที่ชั่วบนรนามังตมมารังวารธรรมมณีตังข้าพระเจ้าไว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด ทัมโมโยสัพพานินำสารานเคมมมุตตมังพระทัรมไดเป็นสารอัหารเสมสูงสุดของสัตว์ทังหลายดูติญานุสติขานังวันรามิตังสิเรนัง ข้าพระเจ้าว้ายพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่ท่องด้วยเสียงกราบทานม า, าหาสสสิดาสวารรมโมเมซานิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นภาคของพระธรรม พระธรรมเป็นในมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าความโมดุคสักขะตาจาวิทาตาจริาท า, ราสเมพระธรรมเป็นเรื่องกำจกัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า ดามาสานิยาเมิสาริรชีวิตันติดังขาพะเจ้ามอาถวายชีวิตนีんん้แด่พระธรรมวันดันโตหัริสามีธรมมาเสวะสุธรมมัง าพราะเจ้าผู้ว้อยู่จากพระพุทธางซึ่งความเป็นธรรมดีของพราานะธรรมนาติเมสารนังอันยังคำโมเมสารนังว่ารังสารณะอื่นของาพราะเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสารนะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเหตทนสศเจาเทนวะเคยยังสาธุศาสนีด้วยการกราบคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ขามังเมวันดามาเนายยางคุญนยงางปัสุตติธาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้คนควายบุญไดในบนัดนี้สาสเดติอันตารายามิมาเหสุกตาสเตชะสา อันอรายทางกวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้ า, าด้วยเศษแห่ง บ, บุญนานบอก<อ>ายนาวาจายวเทตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็กดีธร า, า, า, ามีขุคมข า, ามพัตตานุยายัง กรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ถ้าพระเจ้าข้าธรรมแล้วในพระธรรมทรรมดปฏิทารอันตัวแยันตาขอพระธรรมจงหมดซึ่งโทษ ด, ดวงเกินอ น, นันต์กาลันตะเรสงวริตุงวะธรรมมีเพื่อการสํารวมระวังในพระธรรมในทานต่อไป อันดำ ย, ยังสังขารนสติในยังการโฮมาเซสุปาติปันโนภาวะตสาวะกะสังโทรงสาวกของนาอูมิพระภาคเจ้า ดีแล้วผู้ชุบปฏิปันโนภควะตสาวกสังโฆทรงทาโของพระผู้มีพระภาคเจ้าหูใดปฏิปาตตรงแล้วยาญาปฏิปันโนภควะตสาวกสังโฆ สมภาวุของพระภูมิพระพาาภาคพระผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แลว้วสามิตปฏิกัรโนพระขาวะโตสาวากาสังโฆ สรงทราบของพระภูมีพระภาคเจ้ามูไรปาฏิบาสมควรแล้วยาดีทางได้แก่บุ้คนเหล่านี้คือชาตาริภุริสายุคานิอาภาภุริสับุกะลาคู่แห่งบุรุษสค นาเปรียงตัวบุรดได้แปดบุรดเอสซาพระขาวโทสาวะตะสังโกนานแดทรงซาโกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูนายโยเป็นทรงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชา ปาหุเนโยเป็นทรงควรแก่สัตวาราที่เขาจัดไว้ตอนรับดาทิเนยโยเป็นผู้ควรรัษทัินท า, านอันชจีการานิโยเป็นผู้ที่บุคคนทั่วไปควรทำอันชจี อนุตตรังปุญญาเขตตังโดกาสตาติเปนเนื้อนาบุญของโลกไม่ีนาบุญอื่นยิ่งกวา่าดังนี้หันดำยฮียงสังคาพิกิติงการโรมาเซ สาธามมะโชสุปติปาติกุณณิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระศัทธธรรมพระบอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทอาริยะภูคาราสังราเซโท เปโแหงพระอริยบ hmm. ุคคลนั้นประเสริจแตกลำพัวศีรษนิธรรมปาวารสยยากยตโตมีกายและทีฐานาใช้ทำดีสินเป็นต้นนันโบนวานามาภาริยานัตถนา สุทัข้าพเจ้าไหวมู่แหงพระอริยเจ้าเหล่านั้นอาบบริสุทธ์ด้วยหีสรางผัวโยสาปานินังสารานเกมมุตตมัน พระทรงหมู่ใดเป็นสารอาหาเกษมสูง ส, สุดของสัตว์ทั้งหลายปฏิญาณสติทานังวันดามิทางสิเรนั้ขา้าพระเจ้าว่าพระสรงหมู น, นั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่สามด้วยเสียงกราส า, ส, สามภัสสนิดาโซวาสังโคเมสาอิปิสรงข้าพระเจ้าเป็นท่าของพระสงค์พระสงค์เป็นนายมีอิสรานื้อข้าพระเจ้า สามปัดุขาสกตาจาริธาตาจาริาต า, า, าสเมีพระทรงเป็นเรื่องการจัดทูกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจา้าสางภาคสังหานิยาเดมิสาริรันชีวิทันทีรัง ข้าพระเจ้ามอบกายทวายชีวิตนี้แด่พระสง์วันดานโตูนจาริสามิสังคสุปฏิการนาคข้าพระเจ้าผู้ไว่อยูจ่จากพระพติธามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงค์ นาทิเมสารานังอันยังสังโุเมีสารางวรังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระทรงเป็นสารนาหันประเสริฐของข้าพรเจ้าเอเตนะสัจวะเทนะวะเทยยังสาธุสาสนิ ด้วยการก่าวคำสาส์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาสางครั้งมวันนำมานเงนื้อยางพุนยางปสัสตังอิท่าข้าพระเจ้าผู้ว่อยู่ซึ่งพระสงค์ ได้ควรควายบุญใดในแาบนี้สาเพติอันตาไรายามีไหมสุขตาสติจะทาบอันตาไรตั้งขวางอย่าได้มีแค่ข้าพระเจ้าด้วยเด็กแห่งบุญ น, นั้น กายเาวาชาเยวะเทตัสสาวด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคขุกัมมังปะกัังมายายังกรรมนาติเตอนันใดที่ข้าพระเจ้าข้าทำแล้วในพระทรงสร้างโ้ปฏิกันทั้งตัวเชยัญตั ขอพระทรงโจมโงซึ่งโทษดวงเกิดอันนั้นกาลันตาเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวงระวังในพาะสงในการต่อไปเปิดไปหน้าสาสิบสอง อันดัมยังอภินนาปัตจเวคณาปาทั้งพนามาเสชาระธรรมโมนีเรามีาความแก่เป็นธรร ม, มดาชาระอนาติโต เราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้บายาทิทาโมลีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบายาทิฆานติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาราณังโมรีเรามีความตายเป็นธรรมดามาราณังอาณติโตเราจะดวงพ้นความตายไปไม่ได้สะเปหิเมพิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นไปทางต่างหือว่าจะรักพรกะเจ้าคองรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักโหมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรมใดายาโผล เราเป็นผู้รับผลของกรรมน้นำกรรมโยนี้เราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำรเนิดกรรมมานรทุเราเป็นผู้มีกรรเป็นเผ่าพานันกรรมมปฏิสารน์ เราเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมมังกริสามีเราจากกรรมกรรมอันใดไว้ขาระยานว่าภาคังว่าดีหรือชั่วตาสาดาโยโภวิสามี เราจะเป็นผู้รับผลของการนั้นเอวังหามิยัินา้นก็จเวทิตัพาเราจะทิจารณนาอยามีทุกทุกวันแล้วเปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดแผ่นเวตา สัพเพสัตตาอนว่าสาทางได้ทางควรที่เป็นเพือนทุกเกิดแก่จ็บตายด้วยทางทางหมดทางสิ้น พาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถอย่าได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลยอาภยาพัจจาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ อย่าได้พยาามเปียดเพียนซึ่งการแม้การเลยอานิฆาโหตุจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจราักาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทางสิ้นนี้เธอกรวดน้ำเย็นไม่ต้องแปร อนดามยังวุติสนาทิธานาคาทโยุภาณามาเสหิมีนาคุญญากรเมนาอุปัชชยาปุโนตระหาจาริยปัตถรัตมาติตาจจยะตตา สุริโยจันทิมาราชุตราวันา narapita พระมาราช a ยนธาจ a ลุก a า a าราเทวธายะโมมิตามนุสชา a ร a มชตาเวริกาปิชา สาเพสตาสุขีอนทุปุญญาณิปัจจานิมิสุขังจักทิฏฐังเพ็งตุขิตังปัเพธาโวมะทังอิมินาปุญญากรมเนน่าอิมินาอุปิเสนาจั อิปานสุระเพติวะกันภูปานาเชตานั a เอสันตานีนาธรรมายาวานิกานโตมะังนาสันตุสัพายวันยัคชาโตคะเวคะเว โอชุติตังสติปัญญาสันเดโควิริยภินามะาละพันตุโนกาสังกาทุนจะวิรเยสุเมบุทราติภาวะโลนะโทธัรมโมนาโุวารุตโม นาโธปเทกาพุทธเจ้าสังโฆนาโธตารุมังเทโสตตมารุภาเวนะมารุกะสังรักันตุมาคาลคาทยโยภะนะหามเส สามบุทโทษที่ปาทางเสทีนิสินโลกวามาทิ อินมา ด้วยพระคุณท่า ไม่ว่าป่า ทำมัดเย็ยนสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้